อยู่ใกล้กับคนพูดลบทุกวันทำใจอย่างไรทุกวันนี้ต้องเจอกันทั้งนั้นเลยเรียกว่าสิบบ้านเนี่ยอาจมีสักหกบ้านเจ็ดบ้านที่กลับเข้าบ้านแล้วเหมือนกลับมาอยู่ในคุกกลับมาเจอคาพูดทิมแทงกลับมาเจอกับการรบราฆ่าฟันกันด้วยปากจามขวานในปากใส่แก้วหูกัน อย่ากแกล้งทำเป็นไม่โกรธบางคนเข้าใจว่าการไม่โกรธเลยคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่เท่คือสิ่งที่วัดความสาเร็จในการเจริญสติบอกตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องไม่โกรธไม่ถือสาทำหน้านิ่งๆทำหน้าพ่องๆเย็นๆพอทิศทางตั้งต้นมีความเข้าใจแบบนี้ผลก็คือ มันจะ อ, อัดอัดอัดเข้ามามีแต่แรงดันกดกดกดให้ตัวเองต้องระเบิดปุ้งออกมาในวันหนึ่งโดยที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เข้าวงจรรอบแล้วรอบเล่าไม่ได้สติจริงสักทีหลักการสําคัญที่สุดสําคัญมากๆคืออย่ากแกล้งทำเป็นรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันมีความสุขฉันลอยตัวอยู่เหนือเสียงด่า อย่าแกล้งคิดเด็ดขาดถ้าแกล้งคิดคุณอยู่ในทิศทางที่ผิดจากการเจริญสติแล้วเพราะคำว่าสติคือการรับรู้ตามจริงไม่ใช่การแกล้งที่จะสร้างภาวะที่เป็นมายาขึ้นมาโกรธให้รู้ว่าโกรธยอมรับตามจริงว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกร้อนจุกแน่นจุกเสียดอยากด่าเนี่ย ตัวที่ยอมรับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีสติโผล่ขึ้นมาแล้วตั้งมุมมองไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะไม่ด่าแล้วเปรียบเทียบระดับโทสะในแต่ละลมหายใจตั้งมุมมองไว้ก่อนล่วงหน้าว่าความโกรธเนี่ยถ้าหากว่าเราเก็บไว้ไม่ด่าแล้วเห็นความรู้สึกร้อน ความรู้สึกรำคาญความรู้สึกเหม็นเบือ่อความรู้สึกว่าเมื่อไรมันจะพ้นจากภาระนี้สักทีเห็นความอึดอัดแน่นอกที่มันจวนระเบิดรอมรอ่อมันเปรียงร่างเปรี่ยนร่างเหมือนฟ้าผ่าอยู่ข้างในเกือบจะออกละแต่มันไม่ออกไปเห็นแบบไม่พยายามไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิน้นจากนั้นลมหายใจต่อมาถามตัวเองว่ามันยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่า ถ้ามันยังเท่าเดิมก็ยอมรับว่าเท่าเดิมก็คือมีสติรู้แล้วว่ามันยังเท่าเดิมแต่ถ้ามันต่างระดับไปจะน้อยลงหรือกระทั่งมากขึ้นรู้ตามจริงอย่างเดียวไม่ต้องไปพยายามทำอะไรก็คือมีสติรู้แล้วว่าโทสะแปรปรวนไปแล้วอย่างนี้คุณจะเกิดความเคยชินที่จะเห็นความไม่เที่ยงของโทสะ ถ้าเราเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงใจเราจะถอยออกมาแล้วก็วางสิ่งนั้นเห็นวิกฤตในโอกาสถ้าหากว่าเราเจอคําลบๆบทุกวันก็แปลว่าเรามีโอกาสสังเกตความจริงนี้ทุกวันเช่นกันได้ปฏิบัติธรรมทุกวันมันดีไหมละ่ะนี่เป็นสนามปฏิบัติจริงที่ถตาหากว่าได้ธทม มันจะจำมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันมันจะซึ้งเข้าไปข้างในถึงจิตถึงใจจนกระทั่งใจไม่เอาโทสะออกมาจากข้างในจริงๆดูเหมือนง่ายแต่อาจต้องใช้เวลาฝึกสักนิดหนึ่งบางคนอาจไม่กี่วันบางคนเป็นเดือนบางคนหลายปีแต่ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาไปทั้งชีวิตเพื่อที่จะฝึกให้ได้มันก็คุ้มชีวิตนี้แล้วเพราะว่าความโกรธ เป็นเครื่องแสดงความมิเทียงเป็นเครื่องแสดงความไม่ใช่ตัวตนของเราได้ชัดที่สุดและมันเกิดบ่อยมากหลายคนเริ่มต้นได้ดีจากการปฏิบัติธรรมก็โดยการสังเกตความโกรธนี่แหละ